อข อ, อน้อมน้อมต่อคุณพร ะ, ะรัตน์ไตรขคกานนพกรมพระอาจารย์ทรงศิลเพื่อนตัดไม่ทุกท่านจเจริญธรรมม่จีระยะธรรมดู ท, ท, ท่านเราก็ได้ฟังพระอาจารย์ไปสานพูดในเรื่องความตายเนะาะเมื่อวานเย็นก็ตอนเช้าเปิดเทปเนาะท่านก็พูดในเรื่องการที่วางจิตก่อนตายต้องวางอย่างไรเนาะก็อย่าไปห่วงใยเสียงต่าง ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะเรื่องสมบัติเรื่องต่างๆนะต้องจัดการก่อนจะได้ไม่ไปห่วงนะก็คือตอนตายก็จะได้จิตนะไม่มีกังวลอะไรนะตรงนี้จริงๆแล้วเป็นหลักธรรมที่สำคัญมากเลยอันนี้ก็คือถ้าหากว่าผู้ใดนะตอนจะตายเนี่ยจิตนะมีความกางังวลมีความเศร้าหมองมีความห่วงใยเนย่อะไรก็แล้วแต่นะมันก็ ทำให้จิตนตรงนั้นน่ะมันมีโอกาสไปลงออายบูมเนาะตรงนี้ก็อันนี้ไม่ได้พูดเองนะก็คือพระเจ้าได้ทรงตัดไว้บอกว่าจิตเตสังเนเธอทุกติปฏิถังขาเมื่อจิตเศร้ามองแล้วทุกขติพนนหวังได้นะเพราะฉะนั้นก่อนตายเนี่ยเราจะวางใจอย่างไรนะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะบางคนเนี่ยทำบุญไม่เยอะเนาะทาบุญไม่เยอะก็จริง แต่ตอนก่อนตายเนี่ยวางจิตไม่ดีจิตมีความเศร้าหมอง น, ะนึกถึงาบาปหรืออะไรก็แล้วแต่นะทำาห้จิตเศร้าหมองก็ไปลงอาใบภูมิได้ไม่ยากเนาะอย่างเช่นพระนางมริกาเทวีเนี่ยท่านก็เป็นพระมัยสีของพระเจ้าปเสนีโกศลทำบุญไ่เยอะมากเลยทำบุญบ่อยๆทำบุญกับผู้เจ้าด้วย คั น, นี้พตอนก่อนตายกันไปนึกถึงบาปที่ตัวเองทำเอาไว้ก็ไม่เยอะนะบาปไม่เยอะเท่าไหร่ไปนึกในตรงนั้นก็จิตก็เลยเศร้าหมองก็ปรากฏ ว, ว่าตายแล้วเนี่ยต้องไปลงนรก7วันนะเจวัน <c oughs> ครั้นี้นะพระเจ้าประเสริฐอิโคสนันก็อยากจะรู้ว่าพระนางาไปตายแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ <c oughs> ค, คิดว่าต้องไปดีแน่ๆเลยเพราะว่าทำบุญไม่เยอะนะ ครั้นี้ก็จะว่าจะไปถามพระเจ้าเนี่ยว่าตอนนี้พระนางไปเกิดที่ไหนเกิดเป็นอะไรครั้นี้พระเจ้าก็ทรงทราบว่าจะมาถามเรื่องเรื่องนี้แล้วก็ทรงทราบว่าตอนนี้พระนางเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ในนรกแล้วเป็นเวลาเจวันนะถ้าหากว่าตอบไปตามความมันจริงก็จะปรากฏว่านะพระเจ้าพิมิสารก็าจะพระเจ้าประโโสิทธิ์กุศลจะหมดศรัทธาในพุทธศาสนาก็ได้นะทำไมทําบุญมากขนาดนี้แล้วทํำไมต้องไปลงนรกอีกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองเหมือนกันใช่ไหม กาจจะเกิดความสับสนเอ๊พุทธนาเป็นยังไงเนาะทําไมทําบุญมากขนาดนี้แล้วยังตายแล้วต้องไปลงนรกอีกนะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็จะมีปัญหาเฉพาท่านเป็นกษัตริยนะ์เกิดถ้าไม่เลื่อมใสขึ้นมานี่ก็จะยุ่งเหมือนกันนะท่านก็ตอนนี้ท่านก็ศรัทธอยู่เนาะก็เลยในเจวันนี้ก็เลยทําให้ลืมไปนะไม่าจะประเสริฐก็สนก็จะมาทําพยายามมาถามกับทุกวันก็ลืมไปทุกทุกครั้งนะ ครั้นี้พ อ, พ อ, อครบเจวันแล้วพระนางมริกาก็พ้นเจตนรกก็ขึ้นไปเป็นเทพอยู่บนสวรรค์แล้วมีวิมานสวยงา ม, มครันน้นี้ว่าเจ้าไปเสด็จคุศนก็มาถามว่าตอนนี้พระนางมริกาไปเกิดเป็นอะไรว่าจะมาถามต้องหลายหาครั้งแล้วเนี่ยแต่ลืมไม่รู้ทุกครั้งเลยพระพุทธองค์ก็ทรงตัดตอบว่ามหาปุพิธไม่ต้องเป็นกลางบลเนาะตอนนี้พระนางได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วมีความสุขแล้วก็มีวิมานที่สวยงามนะ พระเจ้าสิทธโกศลก็บอกว่าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันนะต้องไปอยู่บนสวรรค์นแน่นอนนะอันนี้ก็คือทั้งๆ ท, ท, ที่ว่าทําบุญบวๆ ไ, ไวเยอะนะแต่ว่าถ้าหากว่าจิตก่อนตายเนี่ย <c oughs> มีความเศร้าหมองเพราะไปนึกถึงอะไรก็แล้วแต่ น, ะนึกถึงในเรื่องอาจจะเป็นบาปหรือว่าเรื่องต่างๆที่เป็นทําให้กังวลเนาะเป็นห่วงต่างๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสไปเไปภูมิได้ไม่ยากเนาะ ครั้นี้ก็มีอีกเรื่องหนึงคือในสมัยพุทธกาลนะก็มีจีบอลมีพระบิณฑลองหนึ่งได้ได้รับจีบอใหม่มานะครั้นี้ก็มีความยินดีในจีบอลมนมากนะก็มีความาปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่พรากว่าเกิด เ, เป็นลมตายกระทันหันนะครั้นี้ด้วยจิตที่ยินดีในจีบอนั้นก็คือความผูกพัน ความยึดมั่นในจีวรใหม่เพราะว่าจีวรนั้นสมัยพุทธกาลนี่เป็นสิ่งหายากนะไม่ไม่ใช่หาง่ายๆผ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากมากแล้วจะมาตัดเย็บเป็นจีวรเนี่ยเป็นเรื่องเป็นงานใหญ่เลยนะงานใหญ่มากเขาได้จีวรมานี่ก็เป็นเรื่องที่ว่ายินดีมากนะยินดีมากสมัยเราอาจจะยินดีเล็กน้อยนะแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยยินดีมากเลยเพราะฉะนั้นด้วยความที่ยินดีด้วยความพอใจก็คือมีความยึดติดในตรงนั้นอเมื่อตายแล้วนะ ก็เลยตายตายไปคราวนี้พระวิชาบอกว่ า, าภิกษุนะอย่าไปอย่าไปแตะต้องจีบอนั้นนะอย่าไปแตะต้องจีบอนั้นภิกษุสงสัยว่าทำไมนะจึงไปแตะต้องจีบอนั้นไม่ได้พระวิชาบอกว่าพระที่เป็นเจ้าของจีบอนั้นแหละตอนนี้ตายไปแล้วก็มาเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวอนั้นนะแต่เลนนี้มีอายุเพียงแค่7วัน นะพอหลังจากเจวันแล้วนะก็ภาพนั้นก็จะไปนะพ้นจากสภาพนั้นความเป็นเลนแต่ถ้าไปแตะต้องตอนนี้นะเลนนั้นอาจจะมีมีความโกรธอาจจะมีความไม่พอใจมีความขัดเคืองนะอันนี้ก็เรียกเป็นโทสะแล้วก็จะต้องไปลงนรกเนะพราะฉนั้นเราก็ต้องอย่านะไปแตะต้องจีวรนั้นนะนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าจิตที่มีความผูกพันนะในตรงนั้นนะก็ต้องกลับมากลับมาเกิดใหม่ เป็นเลนนะทั้งท่านเป็นพระนะก็กำเมากำเกินมปเป็นเลนได้เนาะตอนในสมัยพุทธกาลเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็ทรงบินาบาตไปนะไปพมกพาโนนนะคราวนี้ก็ไปถึงบ้านเศรษฐีนะพอไปถึงบ้านเศรษฐีแล้วตอนนั้นก็ทรงยามสวนนะย่ำสวนก็คือยิ้มเล็กน้อยแต่บ้านเศรษฐีนี่ไม่ได้ใส่บาตรนะท่านก็เดินคล้ายๆว่าเดินไปนะอาจจะยืนหยุดนิ่งสักพักแล้วก็ย่ำสวนนะแล้วก็เดินผ่านไป ครันะ้นี้พานนท์นก็เห็นสัญญาณ น, นั้นก็รู้แล้วรู้แล้วว่าคงจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะพอกลับไปถึงวัดก็เลยถามพระเจ้าว่า mm hmm. เหตุไงพระพุทธองค์จึงทรงยามสวนพระเจ้าก็บอกว่านี่ยเศรษฐีบ้านเศรษฐีนั่นแหละเศรษฐีคนนั้นนั่นแหละตอนนี้ได้เกิดเป็นลูกสุนัขในบ้านของตัวเองแล้วครันะ้นี้ก็ข่าวนี้ก็เผยแพร่ไปก็ปรากฏว่าวก็ไปได้ยินถึง <c oughs> ลูกชายของผูเศรษฐี ได้ยินเข้าไปในหูลูกชายเสร็จถีเนาะลูกชายก็เลเกิดความไม่พอใจนะก็บอกว่าโอ้มาว่านะพ่อตัวเองมาเกิดเป็นลูกนักได้อย่างไรนะก็เกิดความนะหงุดหงิดเกิดความไม่พอใจก็เลยไปถามพุทเจ้าว่าทําไมถึงพูดเช่นนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่พุทเจ้าบอกว่าเรมาพิสูจน์กันก็ได้เนาะนะเดี๋ยวกลับไปที่บ้านนะก็เอาลูกตุนักตัวนั้น่นะมา มาเลี้ยงอาหารอย่างดีนะแล้วก็อาบน้ำให้เขาด้วยแล้วก็พูดอย่างนี้ว่าพ่อพพ่อฝังสมบัติไว้ที่ไหนนะพาลูกไปขุดหาด้วยนะไปลองทำดูเนาะนะนะลูกชายก็ไปลองทำดูพบว่ า, าลูกสุนัขตัวนั้นพอได้รับาการเลี้ยงดูเช่นนั้นแล้วก็ได้รับคำพูดก็ดีดีใจก็เลยรีบวิ่งไปในที่ดินนะแล้วก็เอามือเอาเอาเท้าขุ ด, ค, ด, ค, ดคุ ย, ค ย, คยนะ คุยใหญ่เลยนะลูกชายเศรษฐีก็บอกให้คนรับใช้ช่วยกันขุดดูได้มีอะไรบ้างก็ปรากฏว่าเจอสมบัติจริงๆเนาะเจอสมบัติจริงๆก็อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงก็แสดงว่าก็คือเศรษฐีนะ่ะก่อนตายก็ได้ฝังสมบัติเอาไว้ในบ้านตัวเองคือสมัยก่อนไม่มีธนาคารเนาะไม่มีธนาคารอ่าคราวนี้ไม่มีธนาคารทําอย่างไรนะมีสมบัตกิก็ต้องหาที่ฝังนะหาที่ฝังเอาไว้นะ เพราะว่าโจรเข้ามาปุ๊บเนี่ยเข้ามาในบ้านโอ้หาสมบัติในบ้านหาไม่เจอครั้นี้จะไปหาในที่ดินก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนก็เลยก็เลยต้องก็เล ต, ต้องหนีไปไม่ได้ไม่ได้ทรัพย์สิสนสมบัตินะเพราะคนสมัยก่อนก็อะฝังไว้ในดินกันทํั้งนั้นอยากว่าแต่สมัยนั้นนนั้แม้แต่สมัยอยุธยาเนี่ยอยุธยานี่ก็ฝังสมบัติไว้เยอะเนาะบางคนจะหนีพม่าเนี่ยฝังเอาไว้น่ะกลับมาก็มาขุดหากัน บางทีพม่า ก, ก็มาขุดหาเองก็มีอะไรทั้งหลายแหล่นี้ก็มาขุดหากันจากในดินนี่แหละเนาะแต่ว่าฝังต้องใส่ไหายนะถ้าไม่ใส่ไหายมันละลายหายหมดเนาะคราวนี้ก็พอค้นสมบัติเจอแล้วก็ก็เลยยอมยอมเชื่อก็เลยมาขอขอมาพระเจ้าเนะี่ยอันนี้ก็คือเกิดจากจิตที่ว่ามีความผูกพันมีความห่วงใยในตรงนั้นเนาะอันนี้ก็จิตคนเรานะก็คือแบบนั้นเองนะ ครั้นี้เราจะสงสัยเอ้ทำไมเราทําบุญมาแล้วแล้วทําไมบุญไม่ให้ผลในตรงนั้นนะเพราะเหตุใดนะอันนี้เปรียบเสมือนว่าในคอกมีวัวอยู่ใช่ไนหะมวัวจะมีหลายหลาตัวหลายชนิดนะมีทั้งวัวขาววัวน้ําตาลนะอาจจะมีวัวหลายๆอย่างใช่ไหมครั้นี้วัวที่อยู่ปากคอกนั่นแหละเมื่อเปิดปากคอกปั๊บเนี่ยวัวตัวไหนที่อยู่ปากคอกก็ได้ออกเป็นตัวแรกเนาะอันนี้ก็เหมือนกันในขณะที่เรา จุติจิตนะก็คือจิตที่จะตายนั่นแหละตรงไหนอารมณ์ที่เราได้เสวยในขณะนั้นมีอารมณ์อะไรอารมณ์นั้นก็จะนําให้เราไปเกิดในเช่นนั้นเหมือนกันเนา ะ, ะเช่นว่าคนโบราณเขาบอกว่าคนที่มีความโกรธนะต้องไปลงนรกอันนี้ก็เรื่องเรื่องจริงนะเพราะว่าคนที่จิตโกรธนั่นแหละมันมีมีความร้อนอยู่นะมันจะมีภพภูมิที่รองรับอ่านะ ในสภาวะธรรมแต่ละสภาวะอยู่แล้วในะจิตที่มีความร้อนแรงมีความโกรดนี่แหละมันจะตกกันในนรกเลยเนาะหรือจิตมีความโลภก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตนะจิตมีความหลงก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนะี่มันก็ตรงกันเนาะหรือว่าถ้าใครที่ทําบุญใบดีนะรักษาศีลนะไปบัติธรรมต่างๆก็มีโอกาสไปเกิดเป็นมนุษย์นะหรือว่าผู้ใดที่ทําบุญรักษาศีลจเจริญภาวนา มีหรโอตปาก็มีโอกาสไปเกิดเป็นเทวดานะหรือใครที่เจริญนะสมาธิได้ฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมเนาะอันเนี้ยก็มีพภุมิต่างๆรองรับอยู่หรือว่าใครที่เจริญอรูปฌานก็คือได้อรู ป, ปรอรู ป, ปรพรหมได้รูปอรูปฌานก็คือเป็นอรูปนะอรูปฌานนี่ก็ไปเกิดป็รูปพรหมนะมันจะมีพภุมตภิต่างๆรองรับสภาวะจิตนะแต่ละขณะแต่ละขณะที่เราจะตายอยู่แล้ว นะมันมันเป็นรู้ว่าจิตคนเราเนี่ยมีหลายระดับนะคราวนี้อยู่ว่าในขณะหน้าจิตเราเป็นอะไรนะถ้าบางคนเราทาดีไว้เยอะแต่ในขณะจิตจะตายเนี่ยเกิดจิตไม่ดีขึ้นมาแล้วก็ไปเสวยในทางไม่ดีก่อนหรือในทางตรงข้ามคนที่ทําไม่ดีไว้ก็จริงแต่ในหนจิตจะตายแล้วก็เราสามารถที่จะจิตให้เราเป็นกุศลขึ้นมาได้ให้จิตผ่องใสแล้วก็ไปเกิดในทางที่ดีได้เกิดในสุติปูมิได้เหมือนกันเนาะ สุติภูมิก็มีมนุษย์มีเทวดาเป็นพรหมทูติภูมิก็มีสัตว์ดิฉานเปตูรกายสันโลกนี่แหละพรเจ้าพระผูะ้จาก็เลยพูดอีกครั้งหนึ่งต่อมาว่าจิตเตอสังกิเิเถสุวติปาติยงขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว ส, สุขติปรันหวังได้เนาะเพราะตรงนี้ก็คือเรื่องอสำคัญว่าเราสามารถจิ ต, จตเราเนี่ยในขณะก่อนตายนั้นเรามีสภาวธรรมใด มีสภาวะทําอะไรอยู่เนาะแต่กรณีก็ว่าเอออย่างงั้นคนที่ทําชั่วมาแล้วไปเกิดในทางที่ดีแล้ว อ, อย่างงั้นก็ไม่เป็นไรอะเตไนะคนก็ทําชั่วกันเยอะแยะเลยไม่ดีกว่าหรือแล้วก่อนตายก็ทําจิตให้ผ่องใสเนาะอันนี้จริงๆก็เป็นเรื่องยากนะถ้าใครทําอาจินกรรมมาต่างๆมันก็ทําจิตให้ผ่องใสในะยากยากมากใช <c oughs> ่ไหมอย่างบางไ ม, ไม่มีอยู่กรณีหนึน่งก็คือมีมีคนคนป่วยคนนึงก็ใกล้ตายแล้วละ่ะ คราวนี้พอใกล้ตายนี่ก็บอกว่าบอกลูกหลานบอกว่าไล่ม า, าไป ห, หมดเลยไล่ไปหมดปล่อยเข้ามาทําไมมดน่ยปล่อยเข้ามาทําไมนะมดเยอะแยะไล่ออกไปให้หมดลูกหลานนี่ร้องไห้เลยเพราะว่าคนนี้นะสมัยก่อนเนี่ยเจอมดที่ไหนก็ชอบฆ่ามดปเป็นประจำหรือไม่ก็เผารังมดนะที่ร้องไห้เพราะอะไรเพราะมันไม่มดไม่มีมดแ ม, ม, ม, ม้แต่ตัวเดียวนะ ในขณะนั้นนะจิต ม, มันตกแล้วใกล้ตายในจิตตกแล้วเพราะนั้นอาจินกรรมที่เคยทำไปประจำก็คือการฆ่ามดนั้นมันก็เลยมาส่งผลให้ไปเห็นไ ป, ไปเห็นหมดต่างๆจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือวิบากกรรมนะที่ได้สร้างมาตลอดนะเป็นอจินกรรมแล้วก็มาส่งผลในขณะนั้นด้วยอกุศลตรงนี้นั่นแหละมันก็ทําให้จิตเศร้าหมองจิตเกิดโทสะนะจิตเกิดโทสะในการที่เรียกว่ากลัวมนตะแล้วก็ โมโหนะว่าทําไมไม่ไล่โมดออกไปนะอันนี้จิตโทสะนี่ก็ไปลงนรกแ น, น, น่นอนนะก็คือตรงเนี้ไปน็นจินตกรรมที่ทําอยู่นะแล้วมัน ม, มีโอกาสยากมากที่ว่าจะไปเกิดในพภพคุ้มที่ดีใช่ไหมแม้แต่ในบางคนที่เล่นไพ่เล่นไพ่ก่อนตายบางคนก็คลี่ไพ่คลี่ไพ่ให้คนก็เห็นก็มีนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของความโลภอันนี้ก็ไปเกิดเป็นเปรตเนาะนะนะ หรือบางคนก็ชนไก่ก็มีนะเอานิ้วมาเอาขูเอาขมปมาชนกันชนกันจนเลือดออกก็มีอันนี้กไ็ไปอันนี้นะตรงนี้เป็นความโลภและความโกรธในตัวไปเกิดเป็นสัตว์นรกได้ง่ายๆเลยแล้วในสมัยพุทธกาลก็มีนะอมีพระเจ้าก็ได้ยินเสียงเออทาไมคนลอกเหมือนหมู <c oughs> ลอกเหมือนหมูใหญ่เลยะมีคนก็เลมาถามว่าทํำไมเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยเคยฆ่าหมูอยู่ประจําเพราะฉะนนั้อันนี้ก็พบปุ่มแน่นอนนะ ไปเกิดมันสัตย์เดฉานแน่นอนเนาะตรงนี้เป็นหลักฐานยืนยันมากมายนะในตรงนี้ว่าถ้าคนเราจิตเศร้ามองแล้วทุติเป็นกนรวางได้อย่างแน่นอนคราวนี้เราจะทําอย่างไรนะตรงนี้จะทําอย่างไรก็คือเราจะต้องคอยมันสังเกตจิตใจของเราเองนะถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันจิตใจเราว่าจิตใจเราขณะนี้เป็นอย่างไรมีความเป็นปกติไหมหรือว่ามีลมอะไรเกิดขึ้นนีตรงนี้เป็นเป็นการที่เราต้องสําคัญในตรงนี้นะ ถ้ารู้ไม่ทันออจิตเป็นอะไรเรารู้ไม่ทันมีความโกรกก็รู้ไม่ทันนะมีความโลกรู้ไม่ทันมีความหลงรู้ไรู้ไม่ทันเนี่ยพวกนี้มีภพภูมิรองรับอยู่ทางนั้นเลยแล้วก็เป็นภพภูมิที่ไม่ดนะีเป็นอบายภูมินะนะครั้นี้เราก็ต้องนะระวังด้วยอันนี้ย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้ยังยังยังพอดอีลืมบอกไปคนที่ทําไม่ดีน ะ, ะเราไปเกิดคนที่ทําไม่ดีอยู่ประจำเนี่ยบางคนก็จะ จังหวะ ด, ดีจิตผ่องใสแล้วนะไปเกิดในทางทดีก็จริงแต่ว่ากรรมไม่ได้หายไปนะกรรมเนี่ยมันเป็นมันก็งเงาตามซุ่มต้องตามไปสนองแน่นอนน ะ, ะมันไม่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดปุ๊บเนี่ยมันมันจะกลายว่าดีแล้วจะดีตลอดคือคนเราทํากรรมอะไรไว้เนี่ยมันไม่ได้เก็บไปไหนเก็บในจิตใจของเรานี่แหละใช่ไหมมันมันมีทั้งหมดนะกรรมดีก็เก็บในจิตใจของเรากรรมชั่วก็เก็บในจิตใจของเรารอที่จะให้ผลในอนาคตการ นะไม่ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้านะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกเพราะฉนั้นก็ต้องต้องรักษาใจให้ดีนะคือใจของเราเนี่ยจะมีมีมีควา ม, มกุศลละจิตนะจิตเป็นกุศลและจิตที่เป็นกุศล อ, อยู่ตลอดเวลานะจิตกุศลเนี่ยเขาจะเกิดไปบ่อยและจิตอกุศล ก, ก็เกิดไปบ่อยด้วยมันไม่ใช่ว่าแค่รักษาศีลเท่านั้นนะบางคนว่าเออเรารักษาศีลก็พอแล้วแต่ในขณะนะเดียวกันถ้าจิตเราอ่านะมีอ่าเป็นคนที่โกรธนะ อันนี้ก็คืออากุศลจิตเป็นคนที่โลภก็เป็นอกุศลจิตอีกเป็นคนที่หลงกอ็อากุศลจิตอีกนะเรารู้สึกเราเป็นคนที่เศร้าหมองคนที่ชอบเศร้าเศร้าซึมซึมทั้งหลายแหล่นี่แหละอันนี้ก็เป็นอกุศลจนะิตเนาะก็ต้องระวงังย้ายเศร้าย้ายซึมนะตรงนี้มันเป็นเอาสนละเอได้ง่ายๆเลยเพราะมเรื่องความโลภความโกรธความหลงจิตที่เศร้าหมองทั้งหลายแหล่ น, นี้คืออากุศลจิตทั้งหมด แล้วมันก็จะสะสมเขาเรียกว่าเป็นวิบากนะมาเกิดครั้งนึงก็จะเป็นวิบากครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะส่งผลอต่อไปนะอาจจะในภพนี้ก็ได้หรือภพหน้าก็ได้เนาะ <c oughs> ส่วนกุศลจิตมันก็มีนะเราจิตใจเราดีนะจิตใจเราดีเราให้ทานารักษาศีลเจริญภาวนานะปฏิบัติธรต่างๆเนี่ยเป็นกุศลจิตทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ต้องให้ผลเราแน่น า, นานคุแน่นอนไม่ได้หายไปไหนนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเาเกิด มไนะ่ทําไม่ดีแล้วไปเกิดในทางดีมันหายไปไม่ไม่ถูกต้องมันจะตามเราอย่างแน่นอนน ะ, ะกรรมเนี่ยเป็นเงาตามตัวอย่างแน่นอนนะครั้นเนี่ยเ <c oughs> พราะฉนั้นคนเราน ะ, ะเราจึงต้องสังเกตใจเราให้ไวนะจิตเราขณะนี้เป็นอย่างไรเป็นอกุศลหรือว่าเป็นกุศลหรือจิตเนาะมีความโลภความหลงเกิดขึ้นไหมครั้นะนี้ที่เราจะรู้ทันในตอนนี้เกิดจากการเราจเจริญสตินั่นเองนะเจริญสติในขณะนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหม เรามีความรู้สึกตัวไหมรู้เท่าทันกายและใจไหมนี่เพราะตรงนี้มีประโยชน์เยอะเลยในการที่ว่าเราก่อนตายเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยเจริญสติเนี่ยก่อนตายเนี่ยเขาจะละละอารมณ์ไม่ทันคนที่มีมีความโกรธอยู่ประจำนะพวกเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะละความโกรธง่ายหรอกขนาดเป็นคนดีๆนะคนดีๆก็ยังละความโกรธไม่ได้เลยหรือรู้ไม่เท่าทันความโกรธเพราะนั้นก็เลยเจริญความโกรธเป็นอจินต ร, รมนะ จีนกรัมที่เป็นความโกรธเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุให้นําให้เป็นนรกได้ไม่ยากใช่ไห ม, มเพราะฉะนั้นจริงว่าเราเนี่ยต้องรักษาในขณะที่เราดีๆให้ได้ก่อนไม่งั้นเราก็จะแย่น ะ, อะตอนที่เราจะตายเนี่ยเราก็จิตเรานะไม่มีสติเนี่ยมีความโกรธเรารู้ไม่ทันบ่อยๆมันก็จะอยู่ในใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วตอนก่อนตายนะถ้าเราถ้าจิตเราตรงเนี้ยมันไม่ดีปั๊บเนี่ยเราเรารู้ไม่ทันนะมันก็เป็นนําเหตุเราเป็นลงนรก แต่ถ้าคนที่มีปกติแล้วเราสามารถที่จะเป็นจิตปกติบ่อยๆโกรธก็ไม่เป็นไรกลับมาเป็นปกติบ่อยๆเนี่ยมันเป็นการฝึกนะเป็นการฝึกให้เราไม่ติดแนลมนะตรงนี้เราก็จะมีกลับไปขึ้นนะไปสู่อ่าสุขติภูมิได้นะคราวนี้ในสมัยก่อนก็เคยมีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนเนี้ยจริงๆแล้วเป็นคนดีมากเลยเป็นคนที่ชอบทําบุญด้วยแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนคนอื่นเนีดีมาก เป็นคนมีน้ำใจเพืเพ่อ <laughs> <ๆ>นๆก็รักกันทุกคนนะเขาก็ขายปลาเคม็มแล้วก็ซ่อมรถยนต์ได้ด้วยนะคราวนี้ก็ต่อมาก็ปรากฏว่าวันหนึ่งน้องชายน้องชายก็เป็นนักเลงนะจะพกปืนประจำตัวอยู่ติดตัวเป็นประจำัวันหนึ่งเากลับมาที่บ้านแล้วก็มาว่าถ้าไม่ทิ้งลัวเกินกาดไปหมดเลยนะพูดตั้งหลายครั้งแล้วทำไมไม่เก็บให้ดี พี่ชายบอกว่านะตอนนี้ก็ยังซ่อมรถไม่เสร็จนะเดี๋ยวซ่อมเสร็จก็จะมาเก็บนั่นแหละน้องชายก็เลยต่อว่าใหญ่พี่ชายก็เลยเถียงะทะเลาะไปทะเลาะมาปรากฏว่าน้องชายเลยชักปืนยิงพี่ชายตายเนาะคราวนี้ก็คราวนี้เพื่อนๆก็เลยมีความคิดว่าเนี่ยตายนะอย่างนี้ต้องมีโทรศัพแน่นอนตายด้วยโทรศัโดนยิงตายนะทะเลาะกันด้วยนะมีโทรศัแน่นอนก็เลยเป็นห่วงเป็นห่วงก็เลยไปบอกแม่เขาเนี่ย ให้แม่ก็ลองไปถามพระที่รู้ดูดิหรือคนที่รู้แ่วตอนนี้เขาไปเกิดอะไรกันแน่เราได้ทําบุญให้เขาเยอะๆนะคือทุกค น, นตอนนี้ทําให้ให้อยู่แล้วแต่ว่ารู้ถ้าไปเกิดเป็นอะไรเราได้ทําบุญให้มากขึ้นเรื่อยๆนะจะได้ทําบุญใหญ่ๆให้กับเขาประกอบแม่ก็ไปถามพระหรือผู้ที่รู้เรื่องก็หลายๆคนหรือหลายๆท่านนะแต่ก็ไม่ได้ไเล่ารายละเอียดก็ประกอบตอบคล้ายๆหมดเลยว่าตอนนี้เป็นลงนรกแล้วเนาะอันนี้ก็เป็ น, เ ป, น, เ, นเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราก็ เกิด <c oughs> เกิดความสังเวชใจนะฮะคนดีๆทำไมต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าถึงแม้เขาทำบุญไมเยอะจริงแต่ว่าก่อนตายเนี่ยเขาก็รักษาใจในตรงนั้นไม่ได้น ะ, ะมันมีโทษะเกิดขึ้นแ น, น, น่นอนนะคราวนี้นะก็คือบางทีนะถ้าก่อนตายน ะ, เ, ะเราฝึกสติไว้แล้วแต่ถ้าเกิดเจอเหตุการณ์จริงๆเนี่ยใช่ โดนคนก็ยิงตายบ้างนะหรือคนก็ทํำลายตายบ้างเราก็ต้องปล่อยวางนะต้องวางใจให้ดียอมรับในขณะนั้นอย่าไปโกรธเขาอถึงเขาจะทําไม่ดีกับเราเขาจะฆ่าเราก็ไม่เป็นไรเราก็วางใจให้เป็นปกติให้ได้นะวางใจมีสติให้ดีนะตรงนี้เราก็ไม่ไปสู่ใบภูมิอแต่ละคนที่ไม่เคยฝึกในตรงนี้แล้วก็ไม่เคยรับรู้ในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะไม่เคยรู้ว่าเออสักวันหนึ่งเราจะโดนคนเขาฆ่าตายแล้วเราก็ไปโกรธเขาไปมโมโหเขา นะตรงนี้ก็เป็นอั น, อนตรายอย่างหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเร า, าต้องมันทบทวนบางอย่างเหมือนกันใช่มทบทวนในการที่เรียกว่าเราจะต้องฝึกในการที่เรียกว่ายอมรับในสิ่งต่างที่เกิดขึ้นนะแม้เราจะตายโดยเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องยอมรับอยอมรับลงไปนะยอมรับในสิ่งต่างแล้วก็ไม่เป็นไรให้อภัยนะให้อโหสิกับทุกๆคนที่ทำเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ให้อภัยลูกยาง ตรงนี้จิตเราก็จะเป็นการฝึกที่ในการเรียกว่ า, อายอมรับแล้วก็ให้อภัยอยู่บ่อยๆนะก็คือเราไม่ได้ฝึกก่อนตายก็ต้องฝึกทุกๆวันนะฝึกได้เรื่อยๆนะฝึกบ่อยๆนยในการที่ใครทําไม่ดีกับเราก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรอะไรนะให้อาโหสิไปเรื่อยๆนจะิต ท, ที่ฝึกอโหสิบ่อยๆก็เกิดเกิดการปล่อยกา ร, การวางการไม่มยึดติดแล้วก็เป็นการทีเรียกว่าเราก็ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตใคร นะตรงนี้เมื่อเราฝึกในตรงนี้แล้วถ้าตอนตายเราไปไรก็แล้วแต่แก็จิตก็ว่างได้เร็วเนาะเพราะ น, นั้นเราก็ฝึกในตรงนี้ให้ได้เนาะแล้วก็อย่างที่ว่าไว้แล้วคื อ, คอมันจะมีพวคุมที่จะมารองรับสภาวธรรมที่ในจิตเราแทบทุกสภาวธรรมอยู่แล้วนะเพราะสภาวธรรมต่างๆนั่นแหละมันจะํำให้เกิดเกิดพบเกิดชาติได้นะจิตที่เรียกว่าเราสามารถจะพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือ จิตเห็นความจริงในพระไตรลักษณ์นะเห็นว่าทุกอย่างมันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นักตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต น, นตรงนี้มันสําคัญมากเพราะการที่เราไปบัตรรมหมายความว่าเรากลับมาเห็นเมื่อไตรลักษณ์นั่นเองใช่ไหมอ่ามันจะแสดงอยู่ประจำนะั่นในการที่เราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะอ่าบางที่เราไปบัตรรมแล้วบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดนะีนี่ก็แสดงว่าเราก็บังคับเขาไม่ได้เขาจึงไม่เที่ยงใช่ไหมบางวันดีบางวันไม่ดีแล้วก็เราก็ไม่ทุกข์นะเออไม่เป็นไร ดีก็ไม่เป็นไรไม่ดีก็ไม่เป็นไรเนี่ยจิตมันปล่อยวางได้ก็คือจิตไปปกติได้นะก็คือเราเห็นความจริงเราบังคับเขาไม่ไดแ้แล้วก็ไม่เป็นไรดีก็เป็นเรื่องของเขาไม่ดีก็เป็นเรื่องเข า, เ, เ, ขาเนี่ยจิตก็เป็นกลางแต่ถ้าเราต้องทําทแล้วต้องดีทุกครั้งอันนี้อันนี้ก็คือการที่เราอยากดีนะอยากดีนี้มันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเป็นตัณหานะนีมันก็มีตัวเรามันมีตัวเราอยู่ตรงนั้นว่าเราอยากดี เราอยากที่จะได้อะไรสักอย่างหนึ่งหรืออยากเป็นอะไรเนะี่มันจะมีตัวเราอยู่ทั้งนั้นเลยคราวนี้ถ้าเราสามารถที่จะเห็นนะตามความเป็นจริงได้มันก็เกิดการปล่อยการวางการมิจติดเองนะก็ต้องฝึกที่จะดูมีสติรู้เท่าทันกายและใจนะ่ยตามความเป็นจริงซึ่งเมื่อเรารู้เท่าทันแล้วก็จะแสดงว่าใจรักตลอดเวลาอยู่แล้วนะรนะ่างกายเนี่ยแสดงอยู่แล้วเกิดการเจ็บตายผมงอหูตึงนะผิวหนังย่อนตาฟ้าฟาง ต่างๆแล้วเร า, เราบังคับเขไม่ได้เลยหัวใจก็ทํางานเองน ะ, อะปอดก็ทํางานเองเอาไว้ว่าภายในทุกอย่างทํางานเองหมดเลยเราสั่งก็ไม่ได้นี่แหละเราบังคับเขไม่ได้น ะ, ะร่างกายทํางานเองจิตใจเหมือนกันนะเขาทํางานงตลอดเวลาเขาคิดตลอดเวลานะโดยที่ว่าเรายังไม่รู้อะไรนาะทีน่าจะคิดอะไรเนา ะ, ะบางทีเขาก็โกรธเองบางทีเขารักเองอารมณ์ต่างๆเขาเป็นเขาเองทั้งหมด ก็คือมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เราเราเข้าไปสังเกตเท่านั้นเองนะเราไปสังเกตไปดูเขาเป็นผู้ดูไม่ผู้เป็นเนี่ยมันก็แยกมาแล้วนะเป็นผู้ดูกายดูใจทํางานนะร่างกายก็ทํางานไปใจก็ทํางานไปเราเป็นผู้ดูไปนะเราก็เห็นเออใจไปโกรธแล้วนะใจไปรักแล้วนะใจไปเกลียดแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของใจไม่เรื่องของเราเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นก็เห็นว่าเป็นของเขาเองไม่ของเราของเขาเองมันทํางานมันเองไม่ใช่เรา เนี่ยตรงนี้เมื่อเราไปบัตรทำแล้วเนี่ย <c oughs> ก็คือเรามีสติในระดับหนึ่งแล้วนะแต่ถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจโดยการสรุปให้จิตเ้าฟังว่าเนี่ยของเขาเองนะไม่ใช่เราเขาคิดเองนะเขาโกรธเองไม่ใช่เรานะเขารักเองไม่ใช่เรานะเขาหลงเองไม่ใช่เรานะเขาเกลยดเองไม่ใช่เรานะตรงนี้เป็นการสรุปแล้วเขาเรียกว่าจิตเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจในุ่นเมื่อจิตเข้าใจแล้วเขาก็วางเขาเองเนานะนะเพราะเขาเห็นเมาตไตรักษณ์ในตรงนี้อยู่แล้ว การยึดตัวสติเนี่ยเป็นเหตุเห็นประใจรักได้เร็วได้ง่ายเนาะเพราะว่าเราอะไระการเราเจะตัสติคือเราเห็นตามความเป็นจริงเราเราดูตามก็เป็นไม่ใชใ่เป็นประตานที่เราต้องการเนาะการเราให้ก็เป็นไปตามทีเราต้องการนะคือเราไปบังคับเขา <c oughs> ไปกดขี่เขาไปทำให้เขาตามที่เราต้องการให้จิตเขามีความสงบบ้างให้จิตเขาดีบ้าง นะหรือว่าทําต่างๆให้เป็นไปตามเราต้องการนะไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่รบไม่หลงอันนี้แหละคือการบังคับตรงนั้นเลยแต่เมื่อใดที่เขาแสดงความเป็นจริงแนะสดงว่าเออบางทีนะมีความคิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูาไปไม่ต้องบังคับเมอหยุดคิดหรอกคิดก็ไม่เป็นไรดูไปก็เป็นไง <c oughs> ความคิดเขาก็หยุดเหมือนกันนะนะเข้ามาชั่วคราวแล้วก็ก็ไปไม่ใช่เป็นของถาวร อ, อะไรเลยนะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป ความโกรธก็เหมือนกันนะเราไม่ต้องไปจัดการเขาหรอกไม่ต้องไปแทซงแซงเขาไม่ต้องไปขับไ ล, ล่เขาเราก็ไม่ต้องไม่ตอลับตอลับเขาเราก็ดูก็ไปเฉยเฉเห็นเฉยเฉยรู้ซื่อรู้เฉยๆนั่นแหละในสุดเราก็เห็นความจริงว่าเข้ามาแล้วก็ไปเขาอยู่ชั่วคราว <c oughs> <c oughs> เขาเกิดแล้วก็ดับนะคือทุกททุกทลมก็คือแบบนี้ทั้งหมดเลยคือมาแล้วก็ไปนะอยู่ชั่วคราวเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดแล้วก็ดับถ้าเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆเราก็เกิดความเข้าใจว่าเนี่ย มาเป็นของเลยว่าของที่เราว่าเราบังคับเขาไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะเขาเป็นของเขาเองนะเขามาของเขาเองเขาก็ไปของเขาเองไม่ใช่เราเราเป็นแค่ผู้ดูเฉยๆเท่านั้นเองนะจิตก็เกิดการเมื่อไม่มีความเข้าใจนตรงนั้นแล้วจิตเกิดการปล่อยกันวางการยึดติดการไม่ยึดมั่นถือมั่นการเห็นว่ามันก็แค่กายและใจไม่ตัวไม่ตนของเรานะนะมันก็ตรงนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้ปั๊บจะเห็นว่าเออกายและใจนะเป็นเรื่องของกายและใจไม่ใช่เรา หรือเป็นแค่รูปพรรณนามจิตก็ไม่ยังเรามันก็เป็นการวางกายและใจอยู่แล้วในตัวนี้มันจะเกิดตะเาว่าที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิที่เราสามารถละได้นะการละสักกายทิฏฐินี่แหละมันเป็นคนทางแรกที่จะบรรลุพระโสดาบันเมื่อเราสามารถละสักกายทิฏฐิแล้ววิจิกิจฉากคือความลังเลสงสัยอันนี้ก็ไม่ยากนะเราก็ไม่ลังเลสงสัยในธรรมะของพระเจ้าอยู่แล้ววิจิกริฉาก็คือการที่เรา มีความรูปคําในศีลนะหรือว่ามีการยึดสิ่งเป็นที่พึ่งแทนพระตระไตรมีการยึดมั่นในสิ่งต่างที่ไม่ใช่พระตระไตรหรือว่ารักษาศีลห้าไม่บริสุทธิ์นะตรงนี้มันไม่ยากนี่เรามี็นการเป็นพระโสดาบันได้ไม่ยากเนาะแค่รักษาการฤทธิ์เท่ทานั้นเองแล้วตามมาคือวิจิชาและสีะระพัสตปลามาเนี่ย น, นี่ไม่ยากอยู่แล้วอันนี้นะถ้าใครเป็นพระโสดาบันไดเนี่ยเราจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาไม่เกินเจ็ดชาติ แล้วก็สําคัญก็คือปิดประตูใบภูมิเลยแล้วไม่ต้องไปกลัวว่าออตอนเราจะตายในจิตมันจะเศร้าหมองไหมมันไม่ต้องไปไปกังวลเช่ น, นั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วคือปิดประตูใบภูมิเลยมันแค่เกิดปปมนุษย์เลยเทวดาไม่เกินเจ็ดชาติทนั้นเองะแต่จริ ง, ร ง, รงๆอาจจะเหลือแค่าชาติเดียวก็ได้เนะเนี่ยก็คือหนทางเนี่ยก็คือหนทางแห่งการพ้นทุกข์หนทางสู่พระนิพพานนะซึ่งพวกเราก็มีโอกาสที่จะทําได้อยู่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้การเกิดมนุษย์นี่เราก็เรียกว่า เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วแล้วก็การที่ตั้งอยู่ของพุทธนานี้มีเวลาเพียงแค่เท่ากับแสงฟ้าแลบในจักรวาลเท่านั้นเองนะมันเป็นแค่แสงฟ้าแลบนะช่วงเวลาของพุทธนานี่เท่าแสงฟ้าแลบเท่านั้น อ, อยู่ที่ว่าเราเนี่ยได้มีความโชคดีในเกิดในจังหวะที่แสงฟ้าแลบนั้นเราเราก็ต้องฉวยโอกาสนี้นะในการที่ว่าเราต้องแบบทําเพื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ถ้าเราไม่ทําตรงนี้ก็เรียกว่า เราเนี่ยเสียผลประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่เนาะหมืนกัว่าน้ําขึ้นเรบตักใช่ไหมการที่น้าขึ้นเนรีบตักเนี่ยมันสิ่งถูกต้องแล้วเพราะเราถ้าเราไม่ตักน้ํำก็จะลดหายไปไม่มีน้ําเราตักการเกิดมนุษย์นี่แหละก็คือน้ําขึ้นแล้ว <c oughs> เราจึงต้องรีบตักก็คือรีบตักก็คือรีบตักในการปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะเราทําตรงนี้ไม่ได้น้ําก็จะหายไปเนาะแล้หลังนั้นเราก็เจอมืดมนอดอุปการไปตลอดกาลนานเนาะเพราะในตรงนี้นะมันเป็นหนทางที่วไม่ยาก อยู่ดี ว, ว่าเราจะเดินถูกต้องไหมแล้วก็มีความพยายามไหมถ้าเราเดินถูกต้องและมีความพยายามแล้วก็จะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนเนะาะพุทานท้ายสุดนี้ก็ขออารัธนาบ ร, รมีคุณพระนราตาไตยน้อมน้อมทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพระนุท่านเทอญ